จเจริญพรท่านผู้มีจิตสัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำภารกิจที่สำคัญที่สุด ข, ของชีวิตก็คือการมาทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้มีแต่ความเจริญไม่มีความเสือ่อมหน้าที่ของเรานั้นก็มีอยู่สองประการด้วยกัน 1. การดูแลรักษาร่างกาย 2. การดูแลรักษาจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่สําคัญเท่ากับจิตใจเพราะร่างกายนั้นเป็นของชั่วคราวมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาส่วนจิตใจนี้เป็นของถาวร ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมาไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดใจของเราจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจของเรายิ่งกว่าการดูแลรักษากาย ือดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะเขาไม่มีความสำคัญเขาไม่ได้เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญของจิตใจของเราหน้าที่ที่สามที่เราไม่ควรทำแต่เรามักจะชอบทำกันก็คือการดูแลรักษากิเลสตัณหา เพราะว่ากิเลสตัณหานี้เป็นเหมือนกับเชื้อโรคที่จะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่กิเลสตัณหานี้ไม่ได้เป็นเชื้อโรคของร่างกายแต่เป็นเชื้อโรคของจิตใจจิตใจมีกิเลสตัณหามากเท่าไหร่จิตใจก็จะมีความทุกข์มีความเสื่อมมากขึ้นไปเท่านั้นจิตใจที่มีความ มีกิเลสมีตัณหาน้อยไปเท่าไหร่จิตใจก็จะมีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะให้ความสำคัญต่อการรับใช้กิเลสตัณหาอย่าทำอะไรตามความโลภอย่าทำอะไรตามความอยาก เพราะจะทำให้จิตใจของเรานั้นทุกข์มากขึ้นไปเสื่อมมากลงไปให้เรามาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทำบุญละบาปแล้วก็ชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจนี่คือวิธีดูแลรักษาใจเวลาเป็นวิธีที่จะส่งเสริม ให้ใจของเราเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองจากมนุษย์ก็จะก้าวขึ้นสู่เทพจากเทเก็ขึ้นสู่พรหมจากพรหมก็ขึ้นสู่พระอริยเจ้าทั้งหลายเช่นพระโสดาบรรันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันนี่คือความเจริญของจิตใจที่กำลังรอเราอยู่ รอให้พวกเราส่งเสริมพัฒนาผลักดันให้ใจของเราเจริญขึ้นไปในทางนี้อย่าหลงกับความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกปินกายทางลูกเสียงกิรนรเพราะไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงเพราะอยู่ภายใต้กฎของอนิจจัง ความไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเราเสียเวลากับการมาพัฒนารายกยศสารเสริญเราก็จะไม่ได้พัฒนาจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าและอาจจะเสื่อมลงเพราะในการพัฒนาราบยศสารเสริญสุดของเหล่านี้ ถ้าเราไม่เรามัระวังเราก็อาจจะไปพัฒนาด้วยวิธีที่ไม่ชอบคือวิชีที่ผิดศีลธรรมคือการทำบาปต่างๆเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสารยาเมา ถ้าเราพัฒนารายกยศสรรเสริสุขด้วยการฆ่าผู้อื่นเราไม่ได้พัฒนาจิตใจจริงอยู่เราจะพัฒนาเงินทองของเราให้มีมากขึ้นเช่นเราทำมาค้าขายด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือไปจับปลาในทะเลมาขายมาค่า เพื่อที่เราจะได้มีรายได้เพื่อที่เราจะได้ร่ำรวยมีเงินมีทองแต่เราจะต้องเสียสิ่งที่สำคัญของใจเราไปคือความเป็นมนุษย์การที่เราจะเป็นมนุษย์ได้นี้อย่างน้อยเราต้องมีศีลห้าเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้และถ้าเราอยากจะเป็นเทพเป็นทอง นอกจากมีศีลห้าแล้วเรายังต้องทำบุญให้ทานต้องนั่งสมาธิถ้าอยากจะเป็นพระโสดาเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเจริญวิปัสสนาไปด้วยนี่คือเรื่องของการเจริญและการเสื่อมของใจเราถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามา ส, สั่งสอนพวกเราพวกเราจะถูกความหลง หลอกให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการพัฒนาทางราบยศสรรเสริญหรือการพัฒนาร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่สําคัญและสามารถทําได้ด้วยทุกวิธีถ้าหามาด้วยวิธีที่สุดจริญไม่ได้ก็ให้หามาด้วยวิธีทุสจริญดังที่เราเห็น การอยู่ทุกวันนี้คนเราสมัยนี้มืดบอกไม่รู้นรกไม่รู้สวรรค์ไม่รู้ว่าตนนั้นเป็นจิตใจที่ไม่ตายไม่รู้ว่าทรัพสมบัติข้าวของเงินทองาลาภยศสารเสริญสุขต่างๆที่หามาได้นี้เป็นสมบัติชั่วคราวและไม่สามารถให้ความสุขกาใจได้ กลับจะเพิ่มความทุกข์ให้กับใจมากขึ้นไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาให้ใ จ, จเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆได้มีแต่จะฉุดลากใจให้ตกต่ำเพราะว่าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีธรรมะอยู่ภายในใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกัน จิตใจก็เลยถูกความหลงหลอนให้ไปพัฒนาทางลาบยศรรเสญสุดด้วยวิธีใดก็ตามพอให้ได้มาก็แล้วกันถ้าไม่ได้ด้วยเล่ ก, ก็เอาด้วยกลถ้าเอาด้วยสุดจริตไม่ได้ก็เอาด้วยทุจริญใจก็เลยต้องตกต่ำไปถ้าเริ่มละเมิดศินห้าแล้วใจก็จะก้าวลงสู่ ระดับของอบายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรยบ้างเป็นผีเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำให้ไปทาบาปเช่นถ้าทำบาปเพราะไม่รู้เพราะคิดว่าจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมายังชีพ พวงนี้ก็จะเป็นเดรัจฉานฆ่าผู้อื่นเพราะไม่รู้ว่าบาปทําเพราะว่าจําเป็นเพื่อรักษาชีวิตของตนพวงนี้เป็นพวก<ม>เหมือนพวกเดรัจฉานในละฉานเขาก็ไม่รู้ว่าเขาบาปเวลาที่เขาต้องกินสัตว์เล็กสัตว์<ม>สัตว์น้อย<ม><ม>เขากินเพราะว่าเขาต้องมี เครื่องอย่างชีพของเขามนุษย์นี้ถ้าไปทำแบบสัตว์ใจก็จะเป็นเป็นสัตว์ไปเป็นเดรัจฉานไปถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากรล่า อ, อยากรวยอยากได้อะไรมากๆแล้วไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่สุดจริตเช่น ท, ทำงานได้เงินเดือนมาไม่พอใช้ ก็ไปช่อโกงคอร์รัปชันด้วยวิธีการต่างๆช่อโกงเวลาก็มีก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์แล้วเขาจ้างเรามาทํางานแต่เราเอาเวลาที่เขาจ้างมาทํางานนี้ไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการลักทรัพย์ไม่ทํางานให้เขาอย่างเต็มที่หรือว่ายักยอกทรัพย์รายได้ของ บริษัทของเจ้าของที่เราเป็นลูกจา้างอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการลักทรัพย์เป็นการทําบาปทําบาปเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีเงินใช้มากๆนั่นเองนี่คือการทาบาปด้วยความโลภถ้าทาบาปด้วยความโลภและใจก็จะเป็นเปรตไปเปรตก็คือผู้ที่มีแต่ความหิว อยู่ตลอดเวลามีความอยากอยู่ตลอดเวลาไม่มีใจคิดอยากจะทำบุญเพราะอยากจะได้เงินมากๆเวลาทำบุญแล้วเสียดายเงินที่หามาได้จะทำให้เงินที่หามานี้น้อยลงไปไม่ได้มากดังใจปรารถนาพวกเปตจึงต้องหาอยู่มากๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ พราะความหิวความอยากได้นี่เป็นตัวที่ทำให้หิวซอบสมบัติข้าวของเงินทองที่ได้มานี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้อิ่มเหตุที่จะทำให้อิ่มก็คือต้องหยุดโลกวิธีหยุดโลกวิธีหนึ่งก็คือให้เอาเงินที่ได้มามากๆนียเอาไปทำบุญอย่าหวงอย่าเก็บเอาไว้ถ้าทำบุญบ่อยๆแล้ว ใจจะคลายความโลภลงคลายความอยากลง <c oughs> การให้นี้เป็นการแก้ความโลภแก้ความอยากได้ยิ่งให้มากเท่าไหร่ก็จะเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความสุขใจจะทําให้ไม่อยากได้มากจนเกินไปหรือถ้าได้มากก็จะไม่ได้ไม่ได้หามาด้วยวิธีทุจริตด้วยวิธีที่ผิดศีลธรรม จะท้ามาด้วยวิธีที่สุดจริตทํามาหากินซื่อสัตย์สุดจริตไม่ผิดกฎหมายได้เงินได้ทองมาก็ไม่หวงมีมากเกินไปก็นำเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนกว่าเราถ้าทำอย่างนี้ก็จะป้องกันการเป็นเปรตได้แต่ถ้าโลกอยากได้ แล้วไม่ยอมทำบุญไม่ยอมให้ไม่ยอมเสียสละจะเอาแต่ได้เพียงอย่างเดียวได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่มีความอิ่มไม่มีความพอใจจะหิวอยู่ตลอดเวลาพอเวลาตายไปเนื่องจากไม่มีบุญก็เลยต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณต้องเล่รล่อนไปขอส่วนบุญส่วนกุศลของผู้อื่น นี่คือการทำบาป ด, ด้วยการมีความโลภส่วนผู้ที่ทำบาป ด, ด้วยความกลัวคือกลัวจะอดตายบ้างทั้งๆ ท, ที่มีเงินทองพอกินพอใช้กลัวคนนั้นเขาจะมาทำร้ายเราบ้างก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนกลัวจะอดตายก็เลยต้องไปหาเงินมามากๆด้วยวิธีทำบาป ทำอย่างนี้ถ้าตายไปก็จะเป็นผีหรือเป็นนสุลกายมีความกลัวอยู่ในสันดานกลัวไปหมดไม่ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะกลัวไปหมดส่วนพวกที่ทำบาปด้วยการด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมพวกนี้ตายไปก็ต้องไปนรกนรกคือที่ไปของผู้ที่มีความ โกรธมีความเกลียดความอาฆาตพยาบาทฆ่าผู้อื่นหรือทำร้ายผู้อื่นด้วยความโกรธความเกลียดตายไปต้องไปตกนรกนี่คือเรื่องของผู้ที่ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังเทศ ฟ, ฟังธรรม ไม่สนใจศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าตนนั้นเป็นใครกันแน่คิดว่าตนเป็นร่างกายตนเป็นกิเลสตัณหาต้องทำตามความอยากของตนอันนี้แหละเป็นความหลงที่จะทำให้จิตใจของผู้นั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอบายเป็นส่วนใหญ่ พอหมดเวรหมดกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาสร้างบาปสร้างกรรมหนอยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะไม่มรู้ว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลของบาปของกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้แต่ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้อยู่ในครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีศีลมีธรรม ก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนได้รับอิทธิพลจากครอบครัวที่ดีพาเข้าวัดเข้าวาได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ฟังเทศฟังธรรมได้รู้เรื่องของชีวิตของตนว่าตนเป็นใครเป็นอะไรจะรู้ว่าตนไม่ได้เป็นร่างกายตนเป็นใจที่มาครอบครองร่างกายไว้ชั่วคราว ร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วคราวหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจผู้ครอบครองร่างกายก็จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนี่ถ้าได้มาเกิดในครอบครัวที่ดีมีศีลมีธรรมพาเข้าวัดเข้าวาอยู่เรื่อยก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดความหลงให้จางหายไปได้ ก็แทนที่จะทําบาปทํากรรมเหมือนที่เคยทํามาก็จะพยายามทําบุญไม่ทําบาปพยายามชําระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆต่อสู้กับความโลภความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถือศีลแปบ้างถือศีลห้าบ้าง รักษาสินแปดได้ก็จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้มากทีเดียวสินห้านี้ก็ได้ในระดับหนึ่งแต่สู้สินแปไม่ได้สินแปดนี้ต่อสู้กับความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสศินห้านี้ไม่สามารถต่อสู้กับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้เพียงแต่ต่อสู้กับการทำบาปความอยากที่จะไปทำบา ถ้าถือศีลห้าก็จะไม่กล้าทำบาปก็จะหยุดความอยากทำบาปได้แต่ถ้าอยากที่จะหยุดความอยากที่ละเอียดกว่าความอยากที่จะทำบาปก็ต้องรักษาศีลแปต้องไม่ร่วมหลับนอนกับใครทานั้นไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของตนหรือไม่ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่นอนบนฟูกหนาหนา ไม่หาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆนี่คือการต่อสู้กับความโลภความอยากในระดับของศีลแต่ระดับของศีลก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ความอยากนี้หายไปได้อย่างถาวอนต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนาต้องนั่งสมาธิจเจริญปัญญา ถึงจะสามารถตัดความโลภความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้แต่การรักษาสิน8รักษาสินห้านี้เป็นการตัดกำลังของกิเลสตัณหาให้เบาลงไปให้จากร้อยให้เหลือ50รักษาสินห้าก็ตัดกิเลสลงเหลือสัก50รักษาสิน8ก็ตัดเหลือสัก6 0 70ส พอมานั่งสมาธิก็เท่ากับฉีดยาสลบให้กับกิเลสตัณหาถ้าเป็นนับมวยก็ชกนับแปดแต่ยังไม่นับสิต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถพิชิตกิเลสตัณหาให้ล้มแบบลุกไม่ขึ้นมาได้เลยนี่คือธรรมะที่เราต้องใช้ในการต่อสู้กับเชื้อโรคของใจ คือกิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆต่อสู้มาตั้งแต่การทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานนี้ก็จะหยุดความโลภความอยากได้ไป 10-20% รซรักษาศีลได้ก็จะละความโลภความอยากได้อีก 20-30-40% ที่เหลือก็ต้องใช้การนั่งสมาธิ แล้วก็การใช้ปัญญาสมาธินี้ทำให้กิเลสพักตัวอยู่ชั่วกาวถ้าเป็นนับม่วยก็เหมือนถูกชกนับแปดถูกชกล้มลงไปกรรมการนับแปดถึงจะลุกขึ้นมาได้พอลุกขึ้นมาได้ก็จะไม่มีกำลังเหมือนเมื่อก่อนปัญญาก็สามารถเข้ามาพิชิต ทำให้ล้มลงไปนอนนับสิบได้ชนะได้อย่างถาววอนี่คือเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการที่เราจะทำลายกิเลสตัณหาผู้เป็นผู้สร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมต่างๆให้แก่เราสร้างภพชาติที่ไม่ดีให้กับเราเช่นภพของเดรัจฉานของเปรต ของอสุรกายของนรกนี้เกิดมาจากกิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุถ้าเราไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเราจะไปทำบาปทำไมถ้าเราไม่อยากได้เงินได้ทองเราจะไปต้องต้องไปทำบาปทำไมถ้าเราไม่โกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทใครเราจะไปทำบาปทำไมแต่นี่เรายังมีกิเลสตัณหาอยู่เรายังมีความโลภ ความรักความชังมีความกลัวมีความหลงอยู่เราจึงไปทำบาปทํากรรมกันเพื่อจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้หรือเพื่อที่จะรักษาถงสิ่งที่เรารักเราหวทางทั้งๆที่ไม่มีใครจะสามารถรักษาอะไรต่างๆได้เลยทุกคนเกิดมานี้มาตัวเปล่าๆล่าสิ่งต่างๆที่ได้มานี้ไม่ใช่เป็นของเรา เราไม่สามารถเอาติดตัวกับเราไปได้เราไม่สามารถรักษาให้เป็นของเราได้ถ้าเราจะไปทําบาเพื่อรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปทําไมขาดทุนไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์ทางจิตใจสู้ยอมเสียสละดีกว่าเสียสละแล้วทําให้ใจเป็นเทพขึ้นมาถ้าโลกอยากได้แล้วทําบาใจก็จะกลายเป็นเปรตขึ้นมา ต่างกันตรงนี้ต่างตอนที่ใจได้สมบัติมากองเท่าภูเขาแต่ใจนี้กลับตกต่ำเป็นเดระฉานเป็นเปรตไปสู้เสียสมบัติไปไม่มีสมบัติติดเนื้อติดตัวแต่ใจเป็นเทพเป็นพรหมไม่ดีกว่ารือนี่เราเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงให้มากๆคิดให้มากๆ ว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราไม่ใช่เป็นกิเลสตัณหาเราเป็นใจผู้รู้ผู้ที่จะต้องรับผลของการกระทำของเราทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีถ้าเราไม่อยากจะรับผลของส่วนที่ไม่ดีเราก็อยากไปสร้างเหตุที่ทำให้เกิดผลที่ไม่ดีผลที่ไม่ดีที่เกิด เหตุที่ทำให้เกิดผลที่ไม่ดีก็คือการมีความโลภความโกรธมีรักมีชังมีกลัวมีหลงนี่แหละเป็นต้นเหตุของการที่จะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมเมื่อเราทำบาปทำกรรมแล้วผลที่ไม่ดีก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่มีใครยับยั้งวิบา ก, กรรมของตนที่ทำไว้ได้ เพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งวิบากรรมให้เกิดขึ้นได้มีทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่อยากจะรับบาปรับกรรมก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นไม่ต้องไม่เกิดในภพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภพของมนุษย์ของเทพของพม ของเดรฉานของเปรตของเนรกถ้ายังมีภพเหล่านี้อยู่ก็ยังต้องใช้บาปใช้กรรมใช้วิบากอยู่แต่ถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วก็จะไม่ต้องมารับผลของวิบากกรรมต่างๆที่ทำไว้ <c oughs> เช่นองคุลิมานี้ได้ฆ่าคนถึง999คนแต่พอได้บรรลุเป็นพระอารหรันต แล้วเวลาร่างกายตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดให้เข้ามาฆ่าอีกต่อไปเพราะท่านได้ชําระใจของท่านให้สะอาด บ, บริสุทธิ์คือได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากก็ไม่มีเหตุ ที่จะพาให้ใจไปเกิดถ้าเปลี่ยน ก, ก็เหมือนรถยนต์ที่ไม่มีน้ํามันเมื่อรถยนต์ไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนได้ใจที่ไม่มีน้ํามันของภพชาติคือความโลภความอยากต่างๆก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปแต่ใจนี้หายไปไหนหรือเปล่าก็เหมือนกับรถหายไปหรือเปล่าเวลารถไม่มีน้ํามัน รถไม่ได้วิ่งแล้วรถนี่หายไปไหนหรือเปล่ารถก็ยังมี่ใจก็เหมือนรถนี่เหมือนกันพอไม่มีน้ำมันใจก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ใจไม่วิ่งไปหาภพชาติเท่านั้นเองไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ไปหาวิบากกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตใจก็ยังอยู่เหมือนกับรถยนต์ที่ยังมีอยู่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ ใจของพระอาลันตถาวกทั้งหลายก็ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนเหมือนกับใจของเราที่ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าใจของเราไปหลงไปหาพบชาติกันเพราะยังอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ยังอยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นในเรื่องนั้นเรื่องนี้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็เลยทําทให้ใจต้องไปคว้าเอาร่างกายมาเป็นเครื่องมือพอมีร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายก็ต้องเป็นผู้ที่รับวิบาสของใจที่ทําไวในอดีตก็มีท่านี้แหละไม่มีอะไรที่ลึกลับในเรื่องของชีวิตของพวกเราหรือเรื่องของพระพุทธเจ้าของภาษาวกทั้งหลายเพียงแต่พวกเราไม่ได้ศึกษากันไม่ได้ปฏิบัติกัน เราจึงไม่เห็นความจริงเหล่านี้ผู้ที่เขาศึกษาผู้ที่เขาปฏิบัติกันเขาไม่มีความสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้พระอารหันตุกองค์ก่อนที่ท่านจันเป็นพระอารหันต์ท่านก็มีความสงสัยเหมือนพวกเราเพราะยังมองไม่เห็นเหมือนคนที่ตาบอดยังไม่ได้ลืมตาขึ้นแต่พอลืมตาขึ้นแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น ก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยแต่พวกเรานี้ยังไม่ได้ลืมตากันขึ้นมาพวกเรายังมีความมืดบอดปิดตาเราอยู่เราต้องเอาความมืดบอดที่ปิดตาของเรานี้ออกไปให้ได้ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือต้องทำบุญให้ทานต้องรักษาศีลต้องภาวนา จเจริญสติสมาธิปัญญาถ้าเราทําได้ครบบริบูรณ์แล้วดวงตาของเราก็จะหายมืดบอดเราจะเห็นภพชาติเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเห็นผลของบุญของบาปเราก็จะหยุดกลับมาเกิดเพราะการไม่กลับมาเกิดนี่แหลเป็นการที่ ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปดังที่ทรงตัดไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ต่อให้เป็นภพชาติที่ดีขนาดไหนมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาราชาเป็นประธานาธิบดีก็ยังต้องพบกับวิบากรรมพบกับความเสื่อมของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายอยู่อยู่ดี ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลรักษาจิตใจของเรามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ร่างกายของเราก็ดูแลตามอัตภาพพอให้อยู่ได้เพื่อเราจะได้เอาร่างกายนี้มาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนาจึงขอฝากเรื่องของการ มาวัดเพื่อมาทำนุบำรุงรักษาใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยละบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย